ใจสามเดือนแล้วพอดีวันนี้ก็เป็นวันปวารณาปวารณาออกพรรษาพูดให้ฟังเทศให้ฟังมาสองสามเดือนเต็มๆแล้วก็มีผู้เข้าใจอยู่บ้างเทศเอาลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้หรอก ออกพรรษามาแม่ออกมาเทศเอาไปกินหมดนั่นแหละอาจารย์เทศไม่ดีเหมือนแม่ออกโยมไม่ออกมาเทศเออกไปวันเดียวหมดเลยนะนี่นามาทำวัดก็พากันว่าหน้อยออกเสียงหน่อยไม่ใช่ว่าว่านั่ง เฝ้าคนอื่นว่าเฉยๆออกเสียงดังๆฟังชัดๆต่อให้ถูกอัคร ะ, ะไม่ใช่ว่ามานั่งเฝ้ากันอยู่เฉยๆคนหลายๆไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยไม่สมพระหลายโยมหลายเสียงมันก้องท่านจะแตกนี้มันถึงจะสมอันนี้แหละ มองไปดูปากใครก็บางทีก็ว่าบ้างไม่ว่าบ้างว่าด้วยกันคนอื่นว่าคนอื่นก็ได้แต่อา น, นิสงเราไม่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าก็ยังดีอยู่ดอกมานั่งร่วมกับมูกับเพื่อนก็ได้บุญอยู่ดอกแต่ไม่ได้หลายเหมือนกับว่าเอาเองนะ าตั้งใจสตินะ่ะอย่าให้เผลอย่าให้เมื่อให้บอดสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่หมายเอาอะไรนะคำว่าสัมปชัญญะคำว่ารู้ตัวตัวของเราคืออะไรนะมีความหมายให้มันออกไม่ใช่เป็นรู้อยู่ที่ผู้อื่น กิจส่งออกไปจากตัวเจ้าของไปปูนโน่นกลับขึ้นไปถึงออกครรษายแล้วออกพรรษายแล้วว่างันนะพึ่งไปทางนั่นจะมาทางนี้จะมาอันนั้นเป็นอะไรอันนี้นั่นเรียกว่าไม่ใช่สัมปชัญญนะส่งไปกลับไปบ้านก่อนแล้วรู้อยู่ที่ตัวเจ้าของ ตัวเจ้าของก็คือขันห่านี่นะตัวเจ้าของก็คือใจนี่นะตัวเจ้าของก็คือธรรมชาติคือกายคือธรรมกายรู้ว่ายัางไงเคยไปเห็นตัวเจ้าของบ้างไหมนะรู้ว่าตัวเราเป็นธรรมชาติตัวของเราจริงๆคือธรรมชาติ คือธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติถ้าจะเห็นลึกละเอียดเข้าไปตัวของเราก็ไม่มีเนะมีแต่ตัวสมมตินะนั่งอยู่นะี่กายเขาก็สมมติแขนขาเขาก็สมมติผมขนเล็บปันเขาก็สมมติเราเขาก็สมมติตัวตนสัตว์บุคคลเขาก็สมมติเอาพิจารณาให้ดี คำไปสัญญาจะส่งออกไปนู่นนอกตัวของถ้าผู้ที่เคยเห็นพุโทโธธโมสังโฆนะี่ยนั่นแหละคือตัวเราจริงๆคือพุโทโธนะั่นคือธโมนะนะั่นแหลคือสังโคนั่นนะผนะู้ดเดียวกันจิตลงไปถึงตรงนี้ก็ไปถึงอันเดียวกันเหมือนกับน้ำในทะเลนะี่ยเชื่อมด้วยกันหมดม กิจของพระอริยบุคคลเมื่อเข้าไปตกถึงนีก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมกายด้วยกันหมดครอบอยู่จักรวาลอยู่พุโทโธมีอยู่ธรรมโมมีอยู่สังโคมีอยู่เราไม่เข้าไปเห็นก็เลยนะึกว่ามันไม่มี เป็นธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยเนี่ยว่างๆเนี่ยมองไปก็ไม่เห็นอะไรหรอกตาเนื้อตาหนังแต่เวลาเอามือไกวไปแกงไปมันจะเห็น น, นั่นเห็นมีนกระทบหรือเราเอาไม้กวาดเอาตาดัด กวาดยังี้เวลาเวียงไปมันจะเสียงดังเว้ดมันมีอะไรไหมนะมันกระทบอะไรนะนของละเอียดมันมองไม่เห็นเวลามันนั่นมามันก็กระทบเสียงดังเว้หบือหว้าเวอือปาจึงธรรมชาติว่างอย่างนี้ท่านจึงว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีจุดติไม่มีปฏิสนที่ ว่างดูเฉยๆอันเดียวกันหมดนั่นแหละสุขจับทางให้มันถูกวิธีทมให้มันถูกจับถูกทำถูกนั่งสุขนอนสุขหมดนั่นและกลับไปบ้านคนสุขคนภาวนาเป็นภาวนาได้นะทำอะไรก็ง่ายคิดอะไรก็ออก ทำมาค้าขายก็เฉริญกลับไปบ้านก็ไปทาเอาอ่เหมือนเดิมเนี่ยนะอันพามาทามานีก็เพื่อมาสอนมาบอกวิธีให้เฉยๆถ้าขยันก็ทําเอาถ้าขี้เกียจก็ไม่เห็นอะไรและคนขี้เกียจทําอะไรมันก็ไม่เฉรินลุ่งเรืองคนขยัน ไปไหนมันก็ไม่อดไม่อย่างเด้อทาอะไรมันก็ได้หมดคนขี้เกียจก็พัดวันปักกันพุ่งอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเหมือนเอาแต่บอกเดี๋ยวที่นามาพูดค่าบอดเดี๋ยวทินเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวเวลานั่นเดี๋ยวเวลานี่ยังไม่แก่ไม่เท่ายังไม่เก็บไม่คยวยดอก นี่นาเก็บไข้ได้ป่วยแล้วจะเอาอะไรมาทำปีนี้ก็ขนาดนี้นะลุกยากเดินอนยากเนาปีหน้ามันจะอยู่ถึงปีหน้าได้ไหมต้องคิดอยู่เสมอนะเราจะดูไปได้แค่กี่วันช่วงที่มันอยู่ได้ร่างกายพอทำได้ก็รีบทำมันเป็น เจ็บไข้ได้ป่วยมามันไม่บอกใครนะเป็นพึ่พับลงวันเดียวคืนเดียวนั่นแหละเวลาทําไม่ไดเ้เกิดเสียดายนะทําไม่ได้เสียดายเลยโอ้ยตั้งแต่ก่อนเราทําได้อยู่เราก็ไม่ทําน้อว่าเั้นนะเวลาร่างกา ย, อยาของไม่สมประกอบไม่ทําไม่ได้แล้ว ถึงอยากทำพระคงเหมือนกันสือบออกไปแล้วพอไปกระทบกับโลกภายนอกนั่นถึงว่าโอ้ยถ้าเราไม่สืบหูเพื่อนบวช ด, ด้วยกันผ่านนี้เขาคงไปไกลแล้วนาอว่าอย่างนั้นนะผ่านนี้คงไปไกลแล้วเนอือ เสียดายถ้าเราไม่สึกไ น, นี่คงจะอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วความคิดตอนจกสึกนีไม่มีอะไรมากันเอาไว้ดอกไปอะไรก็จะดีหมดทุกอย่างนั่นนั่งอยู่คนเดียวไปหาธรรมมาค้าขายได้เงินล้านเงินแสนเหมือนคนหนึ่งมานั่งสมาธิ พอออกจากสมาธิเราถามมาเป็นไงเลยโอ้มานั่งสมาธิชั่วโมงเดียวเลยไปปลูกมาแตงแตงลานขายได้รถสองคันสามคันคนหนึ่งมาก็เหมือนกันไปปลูกมะเขือขายนั่งสมาธิจิตสงไป อย่างมะมะเขือลูกเดียวเอาไปปลูกได้มันมีกี่เม็ดแลในมันอย่นั้นขยายพันธุ์ออกไปเหมือนกันกันกบคนปลูกแตงนเนะลยรวยรวยทันทีเลยนั่งสมาธิเอาไปขายไม่ใช่อะไรหรอกคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เอาไปขายเพื่อจะมาแต่งงานว่าเงินนะั้น เงินคนที่แต่งงานแล้วเองมาแต่งหนี่คขายซื้อรถปิกอัพซื้อรถยนต์ได้สองสามคัน น, นั่นแหะมันส่งไปอย่าง้นเนี่นยจิตเราออกมาเรามาถามอ่ะมันไม่ได้ภาวนามมันมีแต่ส่งไปคิดมันมีสัมปชัญญะไปคิดหาเรื่องจะไปลั่มไปด้วย นั่งอยู่ก็ยังเอาจิตไปเสพกรามอยู่กรามนี่มันละเอียดเอาจิตไปลู่น่ะ น, นะไปเสพเสพกับรูปเสียงปิ่นรสอยู่ก็เท่ากับขาดทุนมานั่งสมาธิขาดทุนแทนที่จะหาเอาสรระที่พึงคือพุทโธธรรมโมสังโฆให้มันเห็น กลับไปขายมะเขือไปขายแตงขายมะเขืออยู่เราก็เหมือนกันแหละนั่งอย่นี้แทนที่จะมาอบรมบ่มอินซีแทนที่จะมาถอดกล้เลือกกายดูมันกลับไปส่งไปทางอื่นนัน ปรุงไปแต่งไปถึงวันกลับมันจะได้กลับดอกไม่ต้องคิดไปหาสาระที่พึ่งให้มันเห็นแคก่อนคนเรากเกิดมา ก, ก็ขาดทุนมันแล้วไม่เห็นสาระที่พึ่งเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตีต้องหาให้มันเห็นสาระที่พึ่งเวลา ความตายมาถึงเราจะไปพึ่งใครละ่ะทีเก็บไข้ได้ป่วยมามีที่พึ่งไหมมานั่งอยู่คนอื่นองค์อื่นท่านได้สารณะที่พึ่งเราไม่ได้เลยมีแต่คิดอยากจะออกไปเพื่อนเขาฆ่าความคิดดับความคิด ห้ากิเลสความโลภความโกรธความหลงจะาล้องมาส่งเสริมกิเลสมาเพราะกิเลสกิเลสก็คือความคิดนั่นแหละกระแสกิตกระแสสมุทัยนั่นแหละกระแสความโลภความโกรธความหลงก็อันเดียวกันนั่นแหละคนองอื่นท่านมาดับความคิดจะคล้องมาส่งเสริมความคิด เอาจิตไปเสพอยู่กับความคิดมันจึงขาดทุนในการมานั่งมานั่งก็มานั่งกับเขาอยู่เฉยๆกับมูกับเพื่อนเฉยๆเลยไม่เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็ให้มันเห็นสาระที่เพิ่งเห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นผู้ตายไม่เป็นเห็นอมาตะธาตุอมาตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็น เวลาเก็บไข้ได้ป่วยถ้าแตะขั้นดับแล้วก็จะมีสารณะที่พึง่งมันไม่อยู่ที่อื่นเนอกก็อยู่ที่ลมหายใจนี่อยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่บังคับลมให้ระงับดับลงได้ก็เห็นพุทโธขึ้นมาเท่านั้นเมื่อเห็นพุทโธแล้วก็เอาจิตเราไปเอาสติเราไปจับเอาพุทโธ ไปรู้อยู่กับพุโทโธธรรมโอสังโฆเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็เดินปัญญาเท่านี้เวลาเข้าสมาธิอยู่ก็ให้มันอยู่ในสมาธิเต็มที่เสียก่อนเป็นคนละวาละกันวาละนี้ไม่ได้คิดวาละนี้เป็นวาทิวาละที่หยุดคิดเมือ่อจิจถอนออกจากสมาธิแล้วจึงพามันคิด คิดก็ไม่ให้คิดไปหาปลูกแตงปลูกมกะเขือคือเขาว่านะี่ยคิดจะฆ่ากิเลสคือความโลภความโกรธคิดเพื่อจะดับความโง่ความหลงของเราเท่านี้มันไม่อยู่ไกลมันหลงอะไรมันก็มาหลงกายเบื้องต้นก็หลงกายเจ้าของนี่มนะันไปก็หลงใจเจ้าของนี่นะ ถ้ามันหลงอยู่ตรงนี้ตรงอื่นโอ้ไม่มีปัญหารอกเขามาหลงว่าไกลนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็มาหลงว่าใจนี่แหละคือคนคือเราคือเขามันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นทอดสมมุติออกทิ้งหมดผมขนเล็บฟันเขาถอดสมมุติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาใชา่ รวมกันเฉยๆถอดสมมติพวกนี้แหละทิ้งหมดก็เหลืออยู่คือเก่าผมก็สมมติถ้าเอาผมทิ้งเอาชื่อว่าผมนี่ทิ้งออกไปนั่นแหละผมก็เหลืออยู่คือเก่านั่นแหละผมมันเป็นชื่อเป็นสมมุติขนเล็บฟันก็เป็นสมมุติหมดสมมุติขึ้นมาเรียกมาใช้กันเฉยๆ เอาชื่อมันออกเอาสมมุติมันออกทิ้งมันก็เหลือคือเก่าเหลืออยู่ก้อนธาตุก้อนธรรมดาก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมท่านทอดออกเอาเรามาตั้งไว้เราก็คือใจใจก็คือผู้ลูกผู้ลูกก็คือเราเราก็คือพุโทโธพุโทโธก็คือผู้ลูกผู้ลูกก็คือใจ ใจก็คือจิตจิตอันใดใจก็อันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจใจออกไปรับรู้อารมณ์คนเรียกว่าเวทนาใจไปจำสัอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสนั่นได้ก็เรียกว่าสัญญาเท่านั้น สัญญาอารมณ์มาประกอบจิตมาประกอบใจมาปรุงแต่งจิตใจขึ้นก็เรียกว่าสังขารท่านความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงก็เรียกว่าวิญญาณนะั่นเกิดดับอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับอาการสี่อย่างแล้วก็มาถอดดูมันเกิดจากไหนเวทนามันเกิดจากใจนี่แหละ ใจไปสเสวยอารมณ์ใจทำงานแยกงานให้มันออกงานของใจสัญชาติของกิดของใจก็มีอยู่สี่อย่างเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแค่นี้แล้วก็ท้อทออกไปดูพวกนี้มันเกิดมันดับนั่นแหละใจมันทำงานทำแล้วมันก็หยุดไม่ไม่ไม มันเสเวทอารมณ์มันจำอารมณ์ได้แล้วมันก็หยุดมันก็เกิดก็ดับนี่พวกนี้มันเกิดมันดับส่วนตัวจิตเดิมใจแท้นั่นไม่เกิดไม่ดับการมาภาวนาของภาวนาเพื่อจะเห็นความเกิดความดับนี่นะเกิดดับนี่เรียกว่าสัจจะอริยะสัจสัจจะอริยะคือประเสริฐ สัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐมันมีอยู่สี่อย่างอริยสัจสี่นี่แหละมันทําไมมันเกิดมันดับใจใจไม่ได้เกิดได้ดับนะตัวนามสีนั่นมันเกิดมันดับเคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกับค้องคอนกับค้อง อารมณ์ภายนอกก็คือค้อนค้อนตีคลอง น, นี่แหละใจของเราก็คือคล้องแขวนอยู่นิ่งอยู่อารมณ์ไหลไปทางตางหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบเหมือนกับค้อนไปตีคลอง น, นั่นแหละใจก็กับเพื่องออกรับอารมณ์นนะั่นก็มีแค่นี้ การที่ใจออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าใจทํางานอืใจทํางานท่านก็เรียกว่าวิถีวิถีกิตใจมันทํางานใจมันหยุดรับอารมณ์หยุดทํางานก็เรียกผ้าวางผ้าจิตท่านหรือท่านเรียกไม่อีกว่าใจออกทํางานก็เรียกว่าภวะ พออารมณ์เข้าไปกระทบจิตจิตกำลังว่างอยู่อยู่ในพระวังอยู่จิตก็ออกจากอารมณ์มาก็เรียกว่าภาวะเรียว่าจิตเกิดภพหนึ่งจิตก็เสวยอารมณ์จาอารมณ์พิจารณาอารมณ์ง่วงเหนียวเอาอารมณ์ไปเก็บไว้ในใจก็หยุด ก็เรียกว่าเข้าพาวางังอีกมีเลยจิตมันเกิดพบหนึ่งเรียกว่าวิบากจิตผลของจิตมันทํางานมีบากแปลว่าผลผลคืออะไรจิตมันทํางานนามสีน่นนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยเรียกว่ามันทํางานมันเกิดร่วมกันแยกออกจากกันไม่ได้มีท น, นาสัญญาสังขาร ทำสามหมวดมันแยกจากกันไม่ได้เกิดแล้วก็ดับเสียงคล้องมันดังขึ้นสัสะเทือนออกรับอารมณ์ใจก็ดับคือเข้าเขาวังให้กิดนั่นแหละคือดับ อ, อารมณ์ใหม่ไหลเข้าไปอีกวันคั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งกิดมันจะเกิดกี่ครั้งทำงานอยู่อย่างนี้ไม่ได้หยุด จิตมันจะเหนื่อยขนาดไหนกายยังมีเวลาพักผ่อนจิตไม่ได้พักเลยมันทำงานร่วมกันอย่างนี้มันไม่ได้พักยังไงเวลาตาหลับลงนั่งอยู่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ปิ่นไม่ได้ลิ้มรสตัวธรรมอารมณ์ก็ไหลออกมาจากใจคือเก่าเรียงว่าเรียกใจว่ามันหนัก อารมณ์คือความคิดเนี่ยนะมันก็ไหลออกมาจากใจนึ่ใจก็ทำงานอีกอยู่งนั้นนอกจากเวลานอนหลับนี่แหละพบแล้วพบเล่าเนี่ยคำว่าพบหนึ่งจะเรียกว่าพบของจิตก็ว่าได้จะเรียกว่าพบของขันก็ว่าได้ขันห้าเกิดพบหนึ่งก็ว่าได้ ตากับลูกกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันจมูกกับกลิ่นกระทบกันยิ้นกับรดกระทบกันกับอาหารกระทบกันก็เกิดเรียกว่าขันห้าเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าวิบากขันลูกเสียงกลิ่นรสโภชภาพธรรมลมก็เรียกว่าลูกภายนอกกันขันห้าตีความหมายของขันห่าให้มันออก ตาหูจมูกดิน้นกายใจเพรกะลูกภายในคือตัวเรานะเมื่อลูกเสงเปลี่นลดภายนอกมันมากระทบกันวิญญาณขึ้นวิญญาณตาหูจมูกดิน้นกายใจวิญญาณหมู่วิญญาณพวกนี้แหละเรียกว่าจิตตะวิญญาณเกิดขึ้นสงเคราะห์เขาเรียกว่าใจเรียกว่านา้ํา ลูกกับน้เนี่ยมันอาศัยกันเกิดอยู่ก็เลยมาเรียกว่าขันห้าลูกหนึ่งน้ำสี่เนี่ยมันจะเกิดอยู่อย่างนี้เรียกว่าขันห้ามันเกิดขึ้นมันทํางานตาเห็นลูกตากว่าทำงานหูวกว่าทำงานจมูกลิ้นอะไรเรียกว่าวิบาก ผลของขันห้าวิบากขันขันห้ามันทำงานขันห้าเกิดพบหนึ่งเนี่ยพบหนึ่งเข้าใจพบชาตนะมาฟังเทศฟังธรรมก็ให้เข้าใจไม่ใช่พบจากมาจากไหนพบที่เราออกจากท้องแม่มาพบไม่ได้เป็นพบมนุษย์เนี่ยมันเป็นแล้วมนุษย์ ภูมิคิดภูมิใจเสมอได้มนุษย์สมบัติก็ได้เป็นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วภพเนี่ยแต่ว่าภพของขันห้าท่านไม่ได้หมายเอาว่าอันภพอันนี้หมายถึงตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงต่างหาคขันห้าทำงานเกิดขันห้าทำงานครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรียกว่าเกิดดับ น, นี่แหละสัจจะคือความจริง ผู้ที่ท่านเดินบรญญาแล้วก็ขันห้าเกิดดับท่านก็ยกใส่อริยสัจสี่เลยทุกนั่นนะขันห้าเกิดดับนั่นนะคือทุกคือสัจจะความจริงอริยสัจความจริงอันประเสริฐมันเกิดแล้วก็ดับอยู่นั่นขันห้าท่านจึงว่าทุกนี่แหละทุกในอริยสัจสี่ท่านจึงให้กําหนดรู้นั่นนะ ร, รู้ว่าอย่างไงรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นมันทํางานกายนี่มันทํางานแล้วก็ร่วมกับใจสัลีละกายเนี่ยกายมันมีสาชั้นมันจะเป็นไหลจริงจริสาลีละเกิดจากธาตุนิยมสัลีละกายเกิดจากธาตุนิยมธาตุนิยมก็คือดินน้ําลงไปทิพย์กาย เกิดจากกรรมนิยมธรรมกายเคยได้ยินไหมะ่ะธรรมกายสรีระกายทยิพย์กายธรรมกายมันจะทํางานอยู่อย่างนี้ขั้นห้าขั้นห้าเกิดกับดับความกันโลกเกิดกับดับความกันโลกกับขั้นห้าก็คืออนเดียวนันะ แต่เรียกคนเราเฉยเฉยสรีริลากายก็เกิดจากธาตนิยมทิพยากายก็เกิดจากก ร, รมนิยมธรรมกายก็เกิดจากไตรักยานดับเห็นว่าสรีริกายทิพยากายเป็นอนิจจันทุกครั้งอนัตตาเนี่ท่านเรียกว่าธรมธรมธรรมะธรรมชาติธรรมนิยม ธรรมกายก็เกิดจากธรรมยมธรรมนัยมก็คือไตรักยานห็นสารีละกายทิพยากายมันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาก็เรียกว่าธรรมกายใครที่เอาธรรมชาติเป็นตัวของเราเป็นกายของเรานะั่นคือธรรมกายอืเข้าใจขันห้าเกิดกับดับความกัน โลกเกิดกับดับความกันโลกก็คือโอกาสโลกสัตว์โลกนี่นิ้น้ำลมไฟกับอันเดียวกันนั่นแหละคือโอกาสโลกนี่เรียกว่าสรีร ก, กายก็อันเดียวกันนั่นแหละนีืเรียกว่าลูกส่วนวิญญาณก็เรียกว่านา้ำหรือเรียกว่าสัตว์โลกภายในก็เรียกกับลูกกับน้ำเรียกว่าโลกก็ได้ เรียกว่าสัตว์โลกขางในก็ได้มันทํางานร่วมกันเกิดแล้วก็ดับเวลาจิตออกรับอารมณ์ข้างหนึ่งก็เรียกว่าวิธีจิตเรียกว่าจิตเกิดใจเกิดมันหยุดรับอารมณ์ก็เรียกว่าผ้าวังการมารับอารมณ์ก็เรียกว่าวิธีจิตจิตรับอารมณ์ก็เรียกว่าผ้าวังข้าจิตพูดไปเฉยๆหรอก ขยายความให้ฟังถ้าใครเข้าใจแล้วก็เบื่อหูเบื่อไม่อยากได้ยินได้ฟังพูดแต่ของเก่าถ้าใครไม่เข้าใจก็มาฟังอีกพบเนี่ยพบเก่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่พบแล้วพบเล่าขันหามันเกิดอยู่พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่พบใหญ่พบน้อย ท่านเรียกว่าไม้ชก ง, งกเนี่ยนางชา ง, งกคือเนี่ยไม้ช ง, งกมีหกงานภาษายาวอิสันคำว่างานก็คือกิิงกระป้อมก่าก็คือกิเลสขึ้นวันละร้อยเนี่ยกิเลสมันไหลมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ะหกงานหกกิน ง, งานหนึ่งก็คือตางานสองก็คือหู จิงที่สามก็คือจมูกจิงที่สี่ก็คือลิ้นจิงที่จิงที่ห้าก็คือกายทิงหกก็คือใจไม่ชงกหงนาะนกับความกายกิเลสมันก็ไหลเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ไปเข้าไปกระทบใจอย่ของใจก็สร้างพพสร้างชาติขึ้นมา สร้างตัวเราขึ้นมามารับอารมณ์อะไีเว่าเราเห็นรูปสร้างเราขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาภพนี่ใจมันยันสร้างขึ้นจิตมันสร้างขึ้นตัวกูตัวเราตัวมึงนี่มันมีอยู่อย่างนี้ตัวเขาตัวสตวัตัวคนมันมีอยู่นี่สร้างภพสร้างชาติขึ้นมาออกรับอารมณ์ข้างหนึ่ง ก็เรียกว่าพบหนึ่งตาออกรับอารมณ์หูออกรับอารมณ์นึกใจนี่แหละออกรับอารมณ์ข้างหนึ่งใจรับอารมณ์ข้างหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งหรือขันห้าทํางานเรียกว่าวิบาขันก็เรียกว่าพบหนึ่งเท่านั้นเนี่แหพบน้อยถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเบาๆก็เรียกว่าพบน้อยถ้าเรื่องหนักๆ ก็เรียกว่าพบใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องยาวเรียกว่าพบใหญ่คิดไปเนี่ยท่นิุ่นวายขึ้นจบไม่เป็นคิดเรื่องเก่าเนะนะั่นแ่ะเรียกว่าพบเก่าเห็นคนเก่าก็เรียกว่าพบเก่าคิดไปเรื่องเก่าก็เรียกว่าพบเก่าคิดไปเรื่องใหม่ก็เรียกว่าพบใหม่สังขารกุงแต่งนั่นแนะ่ละคือความคิดนั่นนะ สังขารคือความคิดสังขารจิตน่มันคิดไปเรื่องไหนนั่นแหละคิดไปเรื่องไหนกัหน้าคนหน้าสัตว์ก็มาปรากฏอยู่ที่มโนนั่นแหละที่ใจเรานั่นแหละเรียกว่าภพหนึ่งชาติหนึ่งเกิดแล้วก็ดับน่เข้าพวังพรจิต ก, ก็ดับเอาอันใหม่เขามาแยกจิตออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าภพหนึ่ง กิจหยุดรับอารมณ์ก็เรียกว่าดับพบชาติมันก็ดับลงอย่างนี้พบเก่าถ้าคิดถึงเรื่องเก่าหน้าคนเก่าก็มาเห็นถ้ายากจะกลับบ้านก็คิดเห็นบ้านคิดเห็นครอบครัวหน้าครอบครัวก็มาเพื่อกดอยู่ที่ใจจะเรียกว่าใจเกิดพบหนึ่งก็ดับลงอืมเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนี่แหละพบเก่าพบใหม่ ด, ด้วยจะพบหรือยังหลังหัวหงอกถิ่มเลือดซีแล้วออืพบแล้วพบเล่านะนะัเรื่องนั้นก็เกิดเรื่องนี้ก็เกิดเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่ า, อ, ลาอยู่นั่นแหละจบไม่เป็นเรียกว่าพบแล้วพบเล่าพบเกา่าพบใหม่คิดไปถึงเรื่องเก่าก็พบเก่าคิดไปถึงเรื่องใหม่ก็พบใหม่คิดนานๆมันจบไม่เป็นก็พบใหญ่ คิดแป๊บเดียวมันจบแล้วไม่คิดต่อก็เรียกว่าพบน้อยพบเก่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่พบแล้วพบเล่าขันห้ามันเกิดอยู่นี่ใจมันเกิดร่วมกันอยู่นู้ดกับน้ำอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเรียกว่าปัจจัยาการการที่ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดปัจใจัยในที่นี่ก็คือลูกกับน้ำเป็นปัจจัย ให้แก่กันและกันอิงอาศัยกันเกิดท่านเรียกว่าปัจจัยการการที่ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดลูกกำน้ำมันตายเห็นลูกก็ไปบอกใจใจก็เกิดสเสมออารมณ์สุ ข, ขเวทนาเกิดก็เกิดราคารุสัยตามนอนถ้ามา อิจฉาอารมณ์เกิดทุกขเวทนาเกิดอ น, นิจธาลมไม่ยินดีไม่พอใจหรือขัดเคืองก็เรียกว่าทุกขเวทนาปฏิขาดุสัยเกิดเท่านี้ขันท่าเกิดพบแล้วพบเล่าอย่อยางนี้อืมวิบากกิจวิบากขันมันเป็นอยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดเท่าไรล่ะกี่พบกี่ชาติตัวยังมาบ่าท่านเป็นวันละหมื่นละแสนตัวยังไม่เห็นตาไม่เห็นลูกหูได้ยินเสียงมันจะมาทีหลังนั่นเป็นหมื่นเป็นแสนกิเลสวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดอยู่ในนี้ถ้าใครเห็นอริยสัจสีก็ดับได้ดับขันห้าด้วยอริยสัจสี รูขั้นห้าด้วยอริยรสัจสีรูอริยสัจสีด้วยยานสามอันหนึ่งเรียกว่าสัจจะคือความจริงขั้นห้ามันเกิดเองดับเองอยู่นี่นี่ละอริยสัจจริงเรียกว่าสัจจะยานปะลินเยยปะลินเยยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เรียกว่าจิตจัยานเป็นจิตที่ต้องกําหนดรู้ปริญญาเราได้รู้แล้วปริญญาแปลว่ารู้แล้วปาริญย่อยแปลว่าจิตที่กําหนดรู้ปริญญาเรียกว่าเราได้รู้แล้วเรียกว่ากัตายานยานสามยานสัจจยานจิตจัยานกัตายานท่านให้กําหนดรู้ ให้พิรานาดูกำหนดลูกคือรู้ว่าสคันห้ามันว่างจากสัตว์บุคคลตัลวตนเราเขาคันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้เป็นวิบากคันวิบากกิจเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้ไม่ไม่ให้มาอุปทานเอาคันหา้าถ้ามันเกิดแล้วมากำหนดในคันหาก็เรียกว่ายินดียินดีพอใจในลูกเสียงกลิ่นรสที่เห็นนั้นก็เกิดความโลภ เรียกว่าลาคานุษสัยตามนอนถ้าเราดับลาคานุษสยได้ดับปฏิคานุษสยได้ก็ดับความโลดได้ดับอวิชานุษสัยได้ก็ดับความหลงได้จะไปถามหาที่ไหนพระนิพพานดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์ได้สิ้นเชิงนี่แหละเพิงกิเลสก็คือความโลดความโกรธความหลงนี่เนี่ย เพ่งทุกอะมันก็ทุกไปลาคขินาโทสักขินาโมหักขินามันก็มีแค่นี้ดับดับไปสามกองนี่ได้ก่อนเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นเท่านั้นเดียตามันทํางานขันห้ามันทํางานเกิดแล้วกว็ดับอย่างนี้เป็นอริยสัจจริงเรียกว่าทุกขสัจจะไปหาไหนอีกไปฟังไหนอีกเทศ พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่มันก็เกิดอย่ า, อย า, อยางนี้เ ก, กิดขึ้นมาก็เป็นอย่างวิธีแต่บาคิดนี้บาขันยกใส่ทุกข์ขั์มันเป็นเองอยู่อย่างนี้ทุกมันก็ทุกของมันอยู่างนี้มันเกิดดับของมันอย่างนี้ขนันห้าไม่มีเจา้าของนี่ไม่มีใครมาอุปทานเอาไม่มีใครมายึดมาถือเอามันก็หมดเรื่องเท่านั้นเห็นก็สัตว์ en, แต่ว่าเห็นเท่านั้นได้ยินสัตยแต่ว่าได้ยินเท่นานั้นวันหนึ่งมันจะเห็นสักกี่ครั้ง มันจะได้ยินสักกี่ครั้งสิ่งที่เราไม่ได้ยินมันจะมาได้ยินอีกในวันนี้แหละวันลุ่งขึ้นนี่แหละมันจะได้ยินอีกสักกี่ครั้งหูนั่นตัวยังมาไม่ทันตัวยังมาไม่ได้ยินตัวยังไม่เห็นมันจะเกิดกี่ครั้งนนเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมแหละพบแล้วพบเราอืมกิเลสมันไหลเข้าไปทางต่า ง, างหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยว่าทุกอริยสัจจริงเกิดดับนี่แล้วคือสัจจะคือความจริงเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้กําหนดรู้ว่ามันเกิดเองดับเองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นวิบากขันวิบากจิตจิตมันทํางานก็เรียกว่าวิบากจิตขันห้าทํางานก็เรียกว่าวิขาอวิบาคขันยกขึ้นใส่ใจลักยานอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือยกใส่ ขึ้นใส่อริยสัจสีก็เหมือนกันนั่นเนี่ยไตรักญาณหรืออริยสัจสี่ก็คือกัน น, นัมันเกิดมันดับก็เรียกว่าอนิจจังขันห้าเกิดดับก็เรียกว่าอนิจจังทุกครั้งมันทนอยู่ไม่ได้อืนาตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมันเกิดขึ้นมันต้องดับนี่คือสัจจะจะเรียกว่าอริยสัจสี่หรือเรียกว่าไตรักญาณก็อันเดียวกันนั่นแหละให้พากัน มาอย่ามานั่งซสืมเศร้า อ, อยู่เฉยๆขอ้อพับรับไปมาฟังเทศรับนี่มันว่าได้ความดอกตอนเงาเงานอยูบ่บอกเขาสมาธิก็ตั้งใจฟังก่อนฟังนี่มันเข้าใจมันถึงใจเข้าใจคำว่าเข้าใจนเคยเอาไายี่นาไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเราเลยพูดอยู่นี่มันก็ไม่เข้าใจมันได้ยินเฉยๆมันไม่เข้าใจ ถ้าเข้าไปถึงจิตถึงใจก็เรียกว่าบรรลุเท่านั้นบนรรลุไปว่ารู้เท่าเข้าถึงนั่นคำสอนของพระเจ้าเข้าถึงจิตถึงใจของเรานะั่นเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ของตื่นเตนถ้าเข้าถึงจิตถึงใจ mm. ก็บรรลุเท่านั้นอืมนี่มันไม่บรรลุแล้วฟังหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวามันก็ออกหูซ้ายไปมันไม่ลงไปถึงใจเจ้าของสักที นี่แหละราคานุสัยปฏิคาคนุสัยกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละราคานิสัยนี่แหละคือกามาสวะความยินดีพอใจในการภาวาสวะก็เรียกว่าพกอวิชชาสวะก็แปลว่าความหลงความโลภความโกรธ ก็มีแค่นี้เปลี่ยนคํำพูดเฉยๆภวะกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะอือาสาวัคยายานยานสิ้นไปเห่งอาสาวะกิเลสคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นะราคานุตใสก็นี่แหละกามะราคา ความกำนัดความยินดีความพอใจนี่ปฏิคานิสัยคือความกระทบกระทั่งก็เรียกว่าภาวาสะวะอวิชาสะวะก็คือความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงนี่นะมันไม่ไม่ไปอยู่ไหนนะนี่นะดับอันนี้ได้ก็จะไปถามหาอะไรพูดไปก็ยาวไปเรืเร่อย ขยายความให้รู้จักเฉยๆเอาวันนี้ก็หมดเวลาพอดีดับกามมาสวะพวะสวะวิชาสวะได้คน อ, อาสาวะเอยย า, ยายนเข้าใจไม่หละพบอ่ะเอแม่มนตาพบอ่ะออว่ามันหลอดทองแม่มหมอันนี้มันพบใหญ่แล้วเราเกิดมาได้ พบมาเป็นมนุษย์สมบัติที่นี่พบมันเกิดมันดับนี่เข้าใจไหมล่ะอาจารย์เกียรติฮะเยสุดาฮะไม่ต้องมาถามอีกที่นี่ใช่ไหมพบแล้วพบเล่านี่มันเกิดอย่างนี้พบแล้วพบเราพบเก่าพบใหม่คือความคิดมันคิดไปเรื่องนั้นก็เกิดพบหนึ่งคิดไปเรื่องนี้ก็พบหนึ่งตาเห็นลูกก็พบหนึ่งหูได้ยินเสียงกพบหนึ่ง จิตออกรับอารมณ์แต่ละครั้งละขั้นก็เรียกว่าวิบากจิตหรือขันทํางานแต่ละครั้งละคขั้งก็เรียกว่าวิบากขันนี่บากแปลว่าผลพเข้าใจไมท่านเนี่ยผลของขันห่าทํางานมันทํางานครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งจิตออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิธีจิตอันเดียวกันนั่นแหละจิตอยู่รับอารมณ์ก็เรียกว่าพระบางข้าจิตยิ่งอยากให้เข้าใจอันนี้ แม่จิตสงบแล้วถ้าไม่เข้าใจอันนี้ก็ไปไม่ได้พะนิพัณฑเจ๊งบนไหนก็ตามสงบขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้จักพบดับพบดับชาติไม่ได้พะนิพัณฑ์ต้องดับพบดับชาติได้นี่แหละจิตเกิดพบหนึ่งขันห้าเกิดพบหนึ่งดับพบได้ท่านจึงให้ทิ้งพบเอาไว้ กับความเกิดความดับทําไมท่านถึงว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมละ่ะนั่นแหะความเกิดความดับเนี่ยเรียกว่าไตรักญาณเข้าใจไหมมันไม่เที่ยงนั่นความเกิดความดับทิ้งภพไว้กับขันห้าขันห้ามันเกิดมันดับเนี่ยเรียกว่าภพหนึ่งเอา้ามีเวลานิดหน่อยใครอยากจะถามก็ได้ งสงสัยอย่าให้มันคลายจิตคลายใจมันไม่อยู่ไกลดอกพันิุพันธุ์ถ้าคนเสแวงฮะที่มันไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันก็โลกบางธรรมอารมณ์บางจิตไปออกพันสาแล้วมันคืดหอดบ้านนั่นั่นโลกนั่นคนะือบ้านนั่นนั่นโลกคิดถึงสามีภรรยาไปละคิดถึงบ้านช่องห้องหอไปะัะนนี่แหละลูก คิดไปปรุงไปขั้นห้าก็เกิดแล้วแม่นมาปูสมนะ โ, โ, โ, โอ้ทำมารมเนี่ยเจธรรมะคือใจอารมณ์ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่ น, นลิ้นได้รสอารมณ์ในอดีต ที่ตาเห็นรูปมันก็เอามาเก็บไว้ในใจใจเรียกว่าธรรมเข้าใจไหมอารมณ์ที่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงผ่านไปแล้วนี่มันจะเอาสัญญานี่สัญญาเวทนาสัญญาอารมณ์ก็มาประกอบอยู่ที่ใจของเราท่านจึงเรียกสองคำใส่กันว่าธรรมะคือใจอารมณ์ที่เกิดจากตาหูจะหมกมิ่งกายใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เข้าใจว่าีง แจ้งชัดไหมนี่แหละคือธรรมารมณ์นั่งอยู่จิตว่างๆนี่จิตว่างๆตาไม่เห็นรูปไมได้ยินเสียงอารมณ์เก่ามันจะไหลออกมาจากใจท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์เข้าใจไหมที่นี่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นไว้ในอดีตรู้ไว้ในอดีตมันมาสังสมอยู่ในใจเราเวลาใจว่างๆมันมันหิวอารมณ์อารมณ์นี่นะ จะออกไหลออกมาจากใจเหมือนกับน้ําไหลออกจากบ่อท่านจึงเรียกว่าธรรมะคือใจอารมณ์ที่ไหลออกจากใจเลยเรียกว่าอารมณ์เรียกสองคำเข้าไปสมาคสนธิกันเรียกว่าธรรมารมเขาใายไหมหมดทุกคนนะไม่ใช่พูดให้แต่ยายมนตาฟังนั่นนี่แหละธรรมารมเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมะบวกอารมณ์เรียกว่าธรรมารมเขาใายไห ม, หมทีเ น, นะ น, นี่นนรรยฮะ ว่างๆมันไหลออกมาภาพคนก็มาปรากฏขึ้นนี่แหละห้องนอนเราอยากลับขึ้นไปอืนมันมัปรากฏที่ใจนี่นหละเรียกว่าอารมณ์เข้าใจไหมใช่ีหยนี่แหละธรร ม, ม, ามอารมณ์เข้าใจนะที่ีหมนะธรรมะบวกอารมณ์เรียกว่าธรรม า, มารมณ์เราละสัตย์ไร้ทิฐิเราละธาตุละฐานใช่ไคะอื แล้วก็จิตเป็นผู้ละแยงไปจิตอย่างเดียวนั่นนะเป็นผู้ละออกไปเป็นผู้ละเป็นผู้วางเป็นผู้รู้อ่าทำทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่นี่มีใจเป็นหัวหน้ารูด้วยใจดับด้วยใจถึงด้วยใจอืจริงว่าทำเป็นใหญ่ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า ใจนันเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้หลงดับผู้รู้ดับผู้ห ล, ลงออกกับความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นความรู้ความห ล, ลงก็อยู่ในอันเดียวกันท่านเรียกว่าโลกกับธรรมอยู่ในอันเดียวกันด้านหนึ่งก็เป็นโลกิยะด้านหนึ่งก็เป็นธรรมะใจอันเดียวนี้เข้าใจรึเข้าใจไหมเออ สักกายะที่ที่เขใจนี่แหละไปถือเอาที่ที่็ความเห็นกขความเห็นของใจนี่แหละกายมันเห็นไม่เป็นหนกกายนี่แต่ใจนี่ไปหลงหลงกายว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ผู้รู้ก็คือกายผู้รู้ก็คือใ จ, ผ, อใจผู้ละก็คือใจผู้หลงก็คือใจผู้เดียวกันถ้าดับความหลงได้ ความรูกเขาเกิดขึ้นมาแทนท่านพอเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้ยินคุ้มค่ามาไหมล่ะเชียงใหม่ฮะเ mm hmm. ออมาเห็นคันห้าเกิดดับนี่ก็คุ้มแล้วล่ะวิบากคันอริยสัจสีนี่แหละไม่ยุนที่อื่นอริยสัจสี ทุกข์คืออริยสัจจริงขันห้ามมันเกิดดับนันเรียกว่าทุกขอริยสัจจริงใครจะห้ามตาไม่เห็นลูกหูไม่ให้ยินเสียงไม่ได้แม่แต่เอามือมาปิดมันก็ดังอึงอ้งอึงอ้งอึ้งอยู่หูมันอยากได้ยินหลายอ้าไม่มีอะไรหาเลย